สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบหกเรื่องขุมทรัพย์ของชีวิตรคริสเตียนพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้ให้เรารู้ว่าชีวิตรคริสเตียนนั้นหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้านั้นมีขุมทรัพย์อยู่ห้าขุมด้วยกันเป็นอย่างน้อยนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะ แนะนำขุมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้หลายท่านก็รู้จักแล้วครับแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์เท่าที่ควรขุมทรัพย์เหล่านี้ภาษาอังกฤษอาจจะแปลว่า resources นะครับก็คือทรัพยากรทรัพยากรหรือขุมทรัพย์ที่พระองค์พีได้แนะนําให้เรานะครับมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันอย่างแรกครับก็คือพระเจ้าเองพระองค์เองนะครับเป็นขุมทรัพย์ของเราเมื่อเราได้ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ เรื่อมพีกล่าวว่าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นก็ประทับอยู่ในเราพรงทรงอยู่ในเราอยู่ข้างๆเราอยู่รอบๆเราพรงค์ทรงพระนามว่าพาลาไครทัสนะครับเป็นภาษากรีกพาราแปลว่ารอบๆครับนะครับเพราะฉะนั้นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระบิดาด้วยอยู่ในชีวิตของเรา คอยหนุนจิตชูใจเราครับเวลาที่เรารู้สึกท้อถอยท้อใจท้อแท้กระตุ้นเราให้เรามีกำลังใจในการดําเนินชีวิตเสริมกำลังเรียบแรงเราเหมือนกับคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับหรือล้อรถที่เสริมไ y l e เหล็กพี่น้องครับพระเจ้าเองก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะตักเตือนว่ากล่าวเราเวลาที่เราเพ่งพร้มทำบา พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นสหายที่ศักด์สิทธ์อของเราพระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระผู้ปลอบโยนเป็นพระผู้ช่วยเป็นองค์ที่ปรึกษาทุกๆพระนามของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระนามเดียวกันกับพระนามของพระเจ้าในยอห์นบทที่14ข้อ26ครับแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรา จะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่ท่านและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่านพี่น้องครับ <c oughs> หลายคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็คงจะรู้สึกดีใจที่ลูกๆประสบความสำเร็จลูกๆประพฤติกิริยาดีลูกๆสอบได้ผลดีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากครับที่เราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าจะต้องประพฤต ตนให้สมให้สมกับเป็นลูกที่รักลูกที่พระเจ้าทรงรักประพฤตตนให้สมกับพระเจ้าพระเกียรติของพระองค์ประพฤตตนให้เป็นที่ถวายพระเกียรติไม่เป็นที่เสื่อมพระเกียรติพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นจุดเป็นประเด็นสำคัญมากเราต้องไม่ทำให้พระเจ้าเสียชื่อครับความรักที่เรามีต่อพระองค์ ก็ควรจะเป็นความรักที่ผลักดันให้เราเชื่อฟังพระองค์ให้เราไว้วางใจพึ่งพาพระองค์หลักการของความรักมันเกิดจากการที่ตัวเองนั้นสำนึกและตระหนักว่าเราได้รับพระคุณมากขนาดไหนเหมือนอย่างที่เราโตแล้วเราก็สำนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นรักเรามากขนาดไหนเมื่อเรารู้สานึกเราก็ จะรักท่านมากเพราะเจน้าของพระเจ้าได้กล่าวว่าผู้ที่ได้รับการให้อภัยมากก็รักมากเราได้รับการให้อภัยมากเราจึงควรรักโปรงมากเช่นกันพี่น้องครับขุมทรัพย์แหล่งที่สองครับก็คือความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธานี้ เป็นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับและเราจะต้องรู้ว่ากระบวนการฝ่ายเติบการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นมันจะต้องขึ้นไปทีละขั้นทีละตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปครับจึงเป็เหตุผลที่เราเรียกการเติบโตฝ่ายวิญญาณว่าเป็นการเดินไปกับพระเจ้าวันต่อวันชีวิตของคริสเตียนเราเราต้องเดินไปกับพระเจ้าอับราฮัมเดินไปกับพระเจ้า นะครับโมเสสเดินไปกับพระเจ้าเดินตามพระองค์ไปสาวกของพระเยซูสามปีที่พระเยซูใช้ชีวิตอยู่ในโลกกับพวกเขานั้นเขาก็เดินตามพระองค์ไปพี่น้องครับการเดินไปกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ครับแหลเครื่องมือในการเดินไปกับพระองค์ก็คือความเชื่อความศรัทธาเพราะว่าพระองค์มองไม่เห็นเราไม่สามารถมองพระองค์เห็นได้ แต่เราต้องใช้ความเชื่อความศรัทธาเดินตามพระองค์ดำเนินไปกับพระองค์ด้วยความเชื่อความศรัทธานี้เองพี่น้องครับโกลอสีบทที่สองก็หกถึงก็เจ็ดได้บอกว่าดังนั้นในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระบุญเจ้าแล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไปด้วยการอย่างรากรับการก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไปครับการเติบโตต้องใช้ความเชื่อความศรัทธา โปรดจําไว้ว่าความเชื่อความศรัท ธ, ธานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงซึ่งพบในพระคัมภีร์ครับเราจะไม่ดําเนินไปกับพระเจ้าตามความรู้สึกดลล้วนหรือความรู้สึกอย่างเดียวในวันพรุ่งนี้เราอาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเป็นหวัดคัดจมูกแพ้อากาศแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพ่อแม่ของคุณหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า พร้อมได้เกี่ยวกันครับความรู้สึกตรงนั้นที่ว่าเราคัดจมูกแสดงว่าพระเจ้าต้องมีอะไรกับเราแน่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปครับพี่น้องบางวันเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้วัดว่าเรานั้นไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้กําหนดวัดได้ว่าเราดําเนินกับพระเจ้าได้ดีขนาดไหน ทนีนครับการดำเนินไปในแต่ละวันของน้ำเราน้าถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เราเลือกถ้าเราเลือกให้ถูกตามชอบพระไัยของพระองค์พระเจ้าก็จะปรับเราเปลี่ยนเราให้เราเข้าและเท่ากับพระฉายาของพระเจ้าให้เราเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ผมเคยใช้คำว่า Christ l i ฟ e แต่ถ้าเราเลือกอย่างไม่ฉลาดครับเราก็ยังเป็นทารกฝ่ายยานตลอดไป คุมทรัพย์แหล่งที่สามครับก็คือพระคิดทำคำพีพระคัมภีร์นั้นเป็นคุมทรัพย์ประจําวันเป็นหนังสือชี้ทางเป็นแผนที่ผมเคยเปรียบเทียบนะครับว่าพระคำพีเป็นแผนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นนีวีเกเตอร์พี่น้องครับพระคำพี์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมสําหรับการดีทุกอย่าง อันนี้อยู่ในพระธรรมสองทีโมทีบทที่สามข้อสิบหกสิบเจ็ดครับทัะกัมพีนั้นเปรตเสมือนอาหารไฟวยญางยิ่งคุณกินพระกรัรมพีมากเท่าไหร่คุณก็จะเข้มแข็งมากเท่านั้นและพระเจ้าจะตัดกับเราผ่านทางพระกัมภีร์ครับพี่น้องไม่ได้ตัดเป็นพระสุะเสียงที่ได้ยินแต่เป็นการตรัสในความคิดการอ่านข้อพระกรรมัมภีร์อ่านพระกรรมัมภีร์เป็นวิธีการที่เราจะรู้จักับพระองค์ถ้าปราศจากการบารุงเลี้ยง ร่างกายฝ่ายวิ ญ, ญญาณของเราอย่างสม่ําเสมอเราก็เป็นทารกฝ่ายวิญ ญ, ญาณอยู่เรื่อยไปขุมทรัพที่สี่ครับการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นเป็นการพูดกับพระเจ้าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องก้มศีรษะหลับตาถึงแม้ว่านั่นอาจจะเป็นการเหมาะสมและเป็นท่ า, ท, าทีที่ดีท่าทางที่ดีบางคนอธิษฐานอาจจะเดินไปเดินมาครับบางคนอธิษฐานอาจจะก้มศีรษะลง อาจจะคุกเข่าหรืออาจจะยกมือหรืออาจจะเงยหน้าขึ้นหรือก้มหน้าลงยังไงก็ตามครับพระเจ้าร่วงรู้ถึงความคิดในจิตใจของเราคําทูลขอวิงบอลของเราเราจึงสามารถอธิษฐานเงียบในใจก็ได้หรือเราจะอธิษฐานออกเสียงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งผีได้ได้ให้กําลังใจแล้วว่าอย่าให้เราทุกข์ล้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าด้วยกันอธิษฐาน การวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณเป็นนะครับการอิฐานนะครับจะทําให้สัรรพสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจปกป้องความคิดจิตใจของเราไว้ในพระเยซูคริสต์อันนี้ปรากฏอยู่ในฟิลปิปป์บทที่สี่ข้อที่หกถึงข้อที่เจ็ดครับสุดท้ายครับแหล่งคุ้มครับก็คือพี่น้องคริสเตียนผู้เชื่อหรือผู้นําฝ่ายวิญ ญ, ญาณหรือสิยงพิบานของท่านเมื่อเราไว้วางใจพระเยซูบางคนก็จะเรียกเราว่าเป็นคริสเตียน แต่พี่น้องไม่ครับว่าความหมายของคริสเตียนนั้นนะครับก็คือเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเป็นพวกพระเยซูเป็นคนอยู่ในครอบครัวของพระเยซูพี่น้องครับคนที่อ้างตัวเองว่าถือกําเนิดเป็นคริสเตียนนั้นไม่ถูกครับไม่มีใครที่เป็นหลานของพระเจ้าการถือกําเนิดในครอบครัวคริสเตียนไม่ได้ทำให้เราเป็นคริสเตียนครับพี่น้องครับ พราะเจ้าข้าเจ้ากล่าวว่าเราจะต้องก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเราจะต้องมีสามัคคีธรรมเราจะต้องแคร์ซึ่งกันและกันเราจะต้องเอาใจใส่อธิษฐานเผื่อกันและกันเพียงพระพีบรูบทที่สิบข้อยี่สิบสี่ยี่สบห้าครับเป็นพระพีที่ผมชอบมากให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มุ่งสู่ความรักและกระทําการดีได้อย่างไร อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนได้ขาดอยู่นั้นแต่ให้หนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นการกระทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีฮีบรูบทที่สิบข้อย4 2 5ิบสี่ยี่ิห้าครับพี่น้องครับมิตรภาพความสัมพันธ์สามัคคีธรรมของเรากับผู้เชื่อคนอื่นนั้นสำคัญครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริบทของครื่จักรอยู่ในกลุ่มแคร์หรืออยู่ในกลุ่มสา ม, มัคคีธรรม โบสถ์จะไม่ว่าซาตานมาจากทูตแห่งความสว่างครับมันรักศาสนาแต่มันไม่ได้รักพระเจ้าเพียงแค่คนพูดถึงพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคริสเตียนแท้ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมั่นใจว่าเราเป็นคริสเตียนแท้นะครับและเราอยู่ในคริสตจักรที่มีความเชื่อที่ถูกต้องเป็นคริสตจักรแท้อามน